อวิชชาตัวนี้นี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กรรมนำไปสู่พบสามสังขารตัวนั้นถ้าว่าแบบภาษาพิธรมเรียกว่าเจตนายีสิบเก้าเจตนายีสิบก้านี้มีอวิชชาเป็นปัจจัยอวิชชานั้นเป็นปัจจัยแก่อากุศลคืออปุญญาพิสังขารโดยสหาชาตาชาตินั่นนะง่ายๆสหาชาตาชาติอย่างหนึ่งสองอารัมณชาติสาปกตูปนิสยชาต เขาแบ่งออกเป็นสามกลุ่มเนี่ยนะอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารอวิชชาเป็นปัจจัยแก่ปุญญาพิสังขารสองชาติคืออารัมมณชาติกับปกตูปะนิสยชาติอวิชชาเป็นปัจจัยแก่อาเนชาพิสังขารชาติเดียวคือปกตูปะนิสยชาติสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณสังขารตัวนี้แหละเป็นปัจจัยกาปฏิสนธิวิญญาณ และวิปากับวิญญาณในครั้งหลังๆตรงๆตรงๆตัวแล้วเรียกว่าด้วยนานัคขาณิกะกรรมชาติก็ด้วยอํานาจนานัคขาณิกะกรร ม, มปัจจัยฉั้นสังขารเป็นปัจจัยแก่วิญญาณโดยกรรมนะนะโดยกรรมกรรมที่มีวิบากเกิดขึ้นผลของกรรมนั้นเรียกว่าวิญญาณฉะนั้นวิญญาณนั้นมีลักษณะการเกิดขึ้นโดยความเป็นมูลของอุปติภ พ, พ, พขันเนี่ยนะ มันเป็นมูลของของอุปติภพจริงๆวิญญาณเนี่ยถ้าปฏิสนที่วิญญาณไม่หยางลงเลยนะกาละละเป็นต้นจกสืบเนื่องต่อไปได้ไหมก็เป็นไปไม่ได้ถ้าวิญญาณไม่หยางลงปฏิสนที่ในภพสามขันห้าในภพสามจะมีไหมไม่มีเพราะว่าปฏิสนที่วิญญาณเนี่ยหยางลงปฏิสนที่วิญญาณเนี่ยจึงมีลักษณะการเกิดขึ้น โดยความเป็นมูลแห่งพบหรือว่าเป็นการเกิดขึ้นครั้งแรกโดยทั่วๆไปก็นิยมพูดถึงครั้งแรกก่อนเป็นเป็นเบื้องต้นนะเพราะถ้า พ, พูดถึงครั้งแรกแล้วครั้งหลังๆก็ไม่ค่อยยากแล้วนะราะในเนี่ยแม้กระทั่งบัตรประชาชนผ้าสปอร์ตเป็นต้นเนี่ยนะเอ้ยปีเกิดเนี่ยวันเดือนปีเกิดนี่สำคัญมากเลยนะทำอะไรก็จะถามอายุก่อนนะอายุเท่าไร่หมายถึงว่าเกิดเนะ้่เมื่ อ, อไหร่นะอันนั้นสำคัญมากถ้าสาวไปหาต้นต่อคือการเกิดแล้วนะหลังจากนั้นมันอ็ยาก เพราะฉะนั้นแปลกนะแม้กระทั <im> <f moisturizer> ่งวิชาทางโลกก็ยังให้ความสำคัญกับวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะก็ยังนะทั้งๆที่ทั้งโหราศาสตร์ก็เอาวันเดือนปีเกิดทั้งเนี่ยวิทยาศาสตร์เป็นต้นนะก็ยังให้ความสำคัญต่อวันเดือนปีเกิดเนี่ยนะทุกๆเรื่องเลยนะอายุเท่าไหร่เนี่ยก็แม้กระทั่งจะคบกันจะเรียกพี่เรียกน้องก็ถามเนี่ยอายุเท่าไหร่ก่อนอีกเรื่องเกิดเนี่ยสำคัญมากนะเราพูดถึงเรื่องการเกิดไม่ใช่น้อยเนี่ยนะ แต่ว่าเกิดกระเสื่อมมันก็ใกล้ๆกันนะนะถ้าเกิดนานก็แสดงว่าไม่อีกไม่นานก็เสื่อม <c oughs> วิญญาณนี่เป็นประฐานของอะไรนามรูปวิญญาณเนี่ยเป็นปัจจัยแก่นามรูปกรรมะวิญญาณเออขอไปปฏิสนธิวิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปโดยโดยสหา ช, าชาติชาติเนี่ยนะ กรร ม, มวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กมมะะรรมเฉลูปในประวัติการโดยปกตูปนิสยชาต์นะนะวิญญาณทั่วๆไปเป็นปัจจัยแก่นามรรมาทำโดยสหาชาตชาตเป็นปัจจัยแก่จิตเชรูปโดยสหาธ า, าติชาตมันะก็ทิ้งต่างกัน น, นะว่าทุกคนผ่านการเรียนปัจจัยมาล้ถ้าไม่เข้าใจก็ไปทวงอาจารย์เก่าก็แล้วกันนะนะนั่งอยู่ตรงนี้แหละสอนปัจจมาเยอะแยะแล้วก็ไปฟังเอา ก็อันนี้กล่าวให้ฟังพอสรุปก็พอสรุปว่าวิญญาณ น, นี้เป็นเหตุใกล้ของนามรูปนามรูปมีลักษณะการรวมนามรกายและรูปประกอบลักษณะของเขาเป็นอย่างนั้นนะนามรูปเนี่ยมีลักษณะการรวมนามรกายกับรูปประกายก็มันอุ้มกันไปอุ้มกันมากอดกันไปกอดกันมาแถวนั้นนะนามรูปนั้นเป็นประทัด ฐ, ฐานเป็นเหตุใกล้ของอายตนะห คือเป็นเหตุใกล้ของตาหูจมูกลิ้นกายใจกรร ม, มชรูปกรร ม, มชรูปนะกรร ม, มชรูปที่เป็นมหาพูดเป็นเหตุใกล้ของภาษาทรูปผ้ากรร ม, มชรูปเป็นเหตุใกล้ของตากรรมมัชรูปเป็นเหตุใกล้ของหูกรรมชรูปเป็นเหตุใกล้ของจมูกกรรมชรูปเป็นเหตุใกล้ของลิ้นกรรมชรูปเป็นเหตุใกล้ของกายกายนาม นามนั้นอะ่ะเป็นปัจจัยแก่เป็นปัจจัยที่สําคัญแต่ตัวใจอ่ะนะสลายตนะคือใจนามคือเจตสิกมหาภูตรูปเป็นเหตุใกล้ของภาษาทรูปอันนี้ง่ายเจตสิกคือนามเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของมานายตนะเพราะฉะนั้นนามรูปเป็นเหตุใกล้ของสลายตนะก็มาแยกแยกกันไปอ่ะนะยัง หูที่เราได้ยินเสียงอยู่ตอนนี้นะตัวหูเนี่ยมีภูตรูปเป็นเหตุใกล้ภูตรูปอันนี้เนี่ยมีอะไรเป็นเหตุใกล้มีกรร ม, มวิญญาณเป็นเหตุใกล้กรร ม, มวิญญาณมีสังขารเป็นเหตุใกล้สังขารเมียวิชาเป็นเหตุใกล้มันก็สาวไปได้เลยทีนี้เมื่อมีหูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะมีหูมียยตนะเนี่ยเช่นทวารอื่นๆก็ในยะเดียวกันพันธลายตนะเนี่ยมีลักษณะเป็นสิ่งที่ถูกกาหนด ของอินทรีย์ทั้งหลายมีจากโขปเป็นต้นก็เป็นที่กําหนดนะเพราะว่ากําหนดว่านี้ตานะอายตนะจะให้เป็นที่กําหนดว่านี้ตานี้หูนี้จมูกนี้ลิ้นนี้กายและใจเพราะอาศัยอายตนะเนี่ยเป็นที่กําหนดอินทรีย์านะหรืออินทรียหกอายตนะทั้ง6เนี่ยเป็นเหตุใกล้ของผัสสะนะก็กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจผัสสะมีลักษณะเป็นที่ประชุม ภาษาเนี่ยนะประชุมอะไรประชุมตารูปจากขวิญญาณประชุมกันเรียกว่าภาษาภาษานั่นแหละเป็นเหตุใกล้ของเวทนาเวทนามีลักษณะเสวยอิทธารมและอ น, นิถารมเป็นลักษณะอนนเสวยอิทธารมก็หมายหมายถึงอะไรสุขเวทนาอ น, นิถารมหมายถึงทุกขเวทนาถ้าอารมณ์ปานกลางก็อุเบกขาเวทนา พันเวทนาเหล่านี้เนี่ยนะมีลักษณะเสวย อ, อารมณ์ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาเป็นลักษณะของดีของไม่ดีนะดูที่ที่ที่เวทนานะเอาเวทนาเป็นเครื่องวัดนะสมมติถ้าของดีในความคิดของใครนะอันนั้นจะเป็นที่ตั้งแห่งสมนัตของไม่ดีในความคิดของใครอันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัตบางทีอาจจะได้ของดีก็ได้ใช่ไหมแต่คิดว่ามันไม่ดีก็เลย โธมนัตเนี่ยนะบางทีก็ได้ของไม่ดีะนะถูกหลอกมาไงนะบอก่าซื้ออะไรเหมือนทองมากเลยราคาถูกมากอะนะดีใจมากนึกว่าตัวเองซื้อทองมาเนี่ยนะอันนั้นก็อะไรโสรมนัตใช่ไหมตอนหลังพอรู้ว่าไม่ใช่ทองอีกโธมนัตอีกมันก็เวทนาเนี่ยธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ถ้าตอนไหนที่คิดว่ามันดีก็ดีใจนะพอคิดว่าไม่ดีก็ เสียใจอีกแล้วนะก็ดีใจกับเสียใจสลับคละเคล้ากันไปก็เหมือนกับขันท่านะของเรานี่แหละบางช่วงมันสุขภาพดีก็ดีใจไหมสุขภาพไม่ดีเอาอีกแล้วเสียใจต่อเรดีใจเสียใจคละเคล้ากันอยู่อย่างนี้แหละเนี่ยเวทนาเนี่ยธรรมชาติที่เสวยอารมณ์ทั้งที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาผลอารมณ์หรืออารมณ์ทั้งหลายจะดีหรือไม่ดีในความคิดของคนนั้นก็ดูจาก เวทนานนนะเวทนานั้นเป็นเหตุใกล้ของตันหาถ้าเจออารมณ์ที่ดีเนี่ยทำยงไงตันหาบอกว่าเออนะขอให้มีอย่างนี้นานๆเจออารมณ์ที่ไม่ดีตันหาก็ไม่เอามันจะเอาอางอื่นนะ น, น, นะก็อย่างที่ถามว่าคนเสวยอารมณ์ที่ไม่ดีเนี่ยนะกับคนเสวยอารมณ์ที่ดีใครจะมีตันหามากกว่ากันยกตัวอย่างนะคนหิวกับคนอิ่มนะ ใครมีตันหามากกว่ากันในเรื่องรถคนหิวมีมากกว่าใช่ไหมอันนะ้คนที่อยู่อากาศที่พอดีกับคนที่ร้อนรนกระวนกระวายใครต้องการความเย็นมากกว่ากันใครต้องการโพธภาคกว่ากันก็คนที่ผู้ที่ได้รับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาเนี่ยนะหรือเสวย อ, อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาจึงเป็นเหตุใกล้แห่งตันหา เวทนาเนี่ยจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็าตามความรู้สึกใดๆก็าตามความรู้สึกเหล่านั้นเป็นเหตุใกล้ของตัณหาเวทนานะเป็นเหตุใกล้ของตัณหาเอาไหมอยู่เนี่ยเห็นเห็นได้ยินยีน้ยินแบบนี้ตลอดไปเนี่ยนะให้มันสเสวยเวทนาแบบนี้ตลอดไปพอใจไหมไม่ตัณหาไม่ยอมง่ายๆหรอกเดี๋ยวมันเอายังอื่นอีกละ ขอให้มีเวทนาที่ใดนะแล้วหลังจากนั้นจะตามด้วยตัณหามาจนได้นะแม้กระทั่งเวทนานั้นจะเป็นเวทนาที่เป็นกุศลก็ตามตัณหามันไม่ยอมหยุดแค่นั้นหรอกมันต้องการเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มไปเรื่อยตัณหานั้นมีลักษณะการเหนี่ยวอารมณ์มายึดไว้เรียก ว, ว่าอัดโชสานะแปล ว, ว่ากลืนกินอารมณ์ไว้เบ็ดเสร็จก็ได้กลืนกินอารมณ์เลยนะรวบอารมณ์มาไว้เลยแหละลักษณะของตัณหา ทนี้ตันหานั้นเป็นเหตุใกล้ของอุปาทานก็ยึดถือใช่ไหมพอรวบเกลืน่นกินไว้เบ็ดเสร็จมันก็ยึดแล้วด้วยอำนาจกามุปาทานบ้างที่ถูปาทานบ้างศีลพระตัวปาทานบ้างอัตวาทุปาทานบ้างเพราะฉะนั้นอุปาทานเนี่ยทำให้เกิดอุปัาติขันเป็นลักษณะแต่อุปาทานเนี่ยไม่รู้ฉันจะให้แกเกิดดีกว่ารูบมาแล้วก็นําเกิดในภพใหม่นั่นแหละอุปาทานนั้นเป็นเหตุใกล้ของภพ พบมีลักษณะการทำให้เกิดนามกายและรู ป, ปกายอันนี้หมายถึงกรรมภพใช่ไหมกรรมภพเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เกิดนามกายกับรู ป, ปกายภพนั้นเป็นเหตุใกล้ของชาติชาติมีลักษณะความปรากฏแห่งขันเป็นครั้งแรกก็คือกรชาติเนี่ยโดยทั่วทั่วไปเกิดเนี่ยก็ถือเอาครั้งแรกเป็นประมาณใช่ไหมพัะการเกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยก็เป็นเหตุใกล้ของชาาเพราะหลังจากเกิดมาก็ แก่มาเรื่อยอย่างน้อยก็คันแก่มาเรื่อยๆก่อนนะคลอดมาอีกก็ตัวก็แก่ขึ้นมาเรื่อยๆ ๆ, ๆ, ๆ, ๆในที่สุดชราก็มีลักษณะความแก่แห่งอุปธิอ น, น, นเรียกว่าอุปธิมันอาพาธแล้วนะชรานั้นเป็นเหตุใกล้ของมอรณะเขาบอกว่าถ้าวิธีแรกนะปฏิสนธิในคันมารดาเนี่ยทุกคนเนี่ยยงน้อยจะต้องมีอายุ17ขณาจิตก่อนจะจุติระหว่างนั้นไม่ได้ แต่หลังจาก17ขณะจิตแล้วจุติได้หมด น, นะไม่หลังจากนั้นนะไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับรองว่าจะไม่จุติสามารถจุติได้ตลอดเลยหลังจากนั้นมาแต่ถ้าช่วงปฏิสนธิเนี่ยนะกรรมไม่ชรูป17ขณะจิตตรงนั้นยังไงก็ไม่จุติอันนี้ถือเป็นนิยามเป็นธรรมดามันจะไม่ปฏิคือรวังดวงที่17เนี่ยนะหลังจากนั้นเนี่ยไม่ห้ามปฏิไม่ห้ามจุติแล้วนะ ก็สามารถพร้อมที่จะจุติได้อีกหลังจากนั้นเพระะัะชีวิตที่เราได้มาเนี่ยค่อนข้างแน่นอนแล้วใช่ไหมมั่นใจเลยนะได้ชีวิตมาแน่นอนแต่ที่เหลือใครจะรับรองล่ะตาเนี่ยรับรองไม่จะใช้งานอีกเท่าไหร่หอ้จมกูกเลนส์ส่วนของศรีรษะจะใช้งานได้อีกเท่าไหร่สมองใช้งานอีกนานเท่าไหร่หัวใจเนี่ยมันจะปั๊มได้อีกกี่ชั่วโมงเลยเนะี่ยปอดเนี่ยมันจะใช้นานได้อีกนานเท่าไหร่ไหมตับล่ะ ตายล่ะไม่มีอะไรรับรองเลยสักอย่างตัวไหนจติก็หลังจากก็ตัวภวังนั่นแหละที่มันไม่เป็นปัจจัยแกจิตอื่นๆหลังจากนั้นแหละเรียกว่าจติจิตละ่ะเพราะว่าปฏิสนธิพวังจติคืออันเดียวกันโดยโดยโด ย, โดยสภาวะนะอันเดียวกันไม่มีความต่างกันโดยวัตถุและอารมณ์ ก็จุติจิตปฏิสนธิจิตเช่นปฏิสนธิด้วยมหาวิบากดวงที่หนึ่งพวังก็คือมหาวิบากดวงที่หนึ่งจุติก็มหาวิบากดวงที่หนึ่งนั่นแหละแต่ทีนี้ถ้าไอมหาวิบากดวงที่หนึ่งเนี่ยนะมันเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นเรียกว่าตีตะพวังถ้ามันไหวมันใกล้จะขึ้นวิถีเขาเรียกว่าภวังคจรณะถ้ า, ะะนะถามันจะต่อด้วยอาวัชนะเรียกวา่าพวังคู่ปัจเฉทะแต่จริงก็คือภวังนะก็เรียกตามสภาพนั้นๆั้ตาย ทีนี้ต่อไปว่ามรณะมีลักษณะการตัดขาดชีวิตินทรีย์นีภารกิจของเขาก็คือทําให้ชีวิตินทรีหมดหมดสภาพมรณะนั้นเป็นเหตุใกล้ของโศกะเหตุใกล้ของโศกะใครอันนถ้าตัวเองตายก็คนอื่นโศกะใช่ไหมถ้าคนอื่นตายตัวเราก็โศกะ มันก็คนอื่นตายก็โศกะไม่ใช่น้อยนะโดยเฉพา ะ, ะบิดามารดาเป็นต้นเนี่ยนะก็หลายๆคนก็บอกว่าตอนจุแม่จุติใหม่ๆก็ไม่เสียใจยอะไรพอนานๆนเข้า่นะมาวะเวยังไงไม่ทราบเลยเสียใจยเลยครนี้ร้องไห้เลยมันมรณะนี้เป็นเหตุใกล้ของโศกะเพราะว่าความตายเนี่ยนะมันเป็นปฏิฆานิมิตนะเป็นปฏิฆานิมิตใช่ไหมพอนิ่ถึงเมื่อไหร่ก็โศกะ นึกโศกะบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าปริเทวะเลยตามมาเนี่ยนะก็เสียใจเลยนะเพราะนั้นปริเทวะมีการกระทําความบ่นเพ้อคร่าครวญเป็นลักษณะก็คร่าครวญอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นภาพร้องให้บ่อยๆคร่าครวญบ่อยๆก็เป็นเหตุใกล้ของทุกทุกกายเลยนะโรคก็กําเริบลนะถ้าทุกมากๆหรือว่าทุกนั้นก็ทุกขกายวิญญาณเป็นเหตุใกล้ของโทมนัส คนที่เสียใจบ่อยคือคนที่ป่วยเขาจาักค่อนข้างใจของเขาไม่ค่อยดีนะถ้าเทียบกับคนสุขภาพดีๆนะคนที่ป่วยๆนะถามว่าไปพูดไปพูดคําอะไรบางอย่างเนี่ยนะถามว่าใครจะเครียดเร็วกว่ากันกับคนไม่ป่วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่ทุกขะขากายเยาวิญญาณมีอยู่ในตัวเนี่ยนะเป็นคนที่เบาบางทางความคิดมากก็คือสภาพจิตของเขาค่อนข้างโทมนัสง่ายเสียใจง่าย ก็สังเกตดูนะว่าวันไหนที่เราสุขภาพจิตไม่ค่อยดีนะสังเกตดูทางกายด้วยนะว่าวันนั้นร่างกายมีปัญหาหรื er. หรอเปล่าอาจจะทุกข์ทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เช่นอ่อนเพลียหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะหรือปวดหัวตัวร้อ น, น, น, นเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับกระสับกระส่ายอย่างใดก็ตรวจสอบดูจะรู้ว่า อ, อ่อร่างกายก็เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้ความทุกข์ทางใจเนี่ยเกิดขึ <birthdays> ้น ความทุกข์ทางใจเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของความคับแค้นใจอุปายาตอุปายาตนี้เผาหลนทางจิตใจคับแค้นใจเร่าร้อนทางใจอุปายาตนั้นก็เป็นเหตุใกล้ของภพองค์ประกอบแห่งภพเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมมูลในการใดในการนั้นก็ชื่อว่าภพคืออวิทยาอุปายาตนะถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของอวิชชาต่อไปใหม่นะ เพราะว่าพอคับแค้นใจลำบากใจเดือดร้อนใจก็อวิชาก็เกิดใหม่อีกใช่ไหมเพราะวาอาวิชามันเกิดร่วมพร้อมกับเนี่ยโสกะปริเทวะโทมนัตอุปายาตขณะใดที่โสกปริเทวโทมนัตอุปายาตเกิขดขณะนั้นอวิชาก็ก็เกิดถ้าอาวิชาเกิดอะไรเกิดอีกสังขารสังขารก็อะไรถ้าสังขารเกิด วิญญาณเด็กเว่าต่มันก็วนอยู่อย่างนี้แหละซ้ icon, ําแล้วซ้ําเล่าซ้ําแล้วซ้ําเล่านะถ้าว่าไปมันก็เหมือนกันเนี่ยเช้าสายเช้าสายบ่ายเย็นค่ำเช้าสายบ่ายเย็นค่ําก็วนอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเบื่อไหมตื่นเช้ามาเลยเบื่อเลยทุกเท่านั้นที่เกิดขึ้นนะเบื่อเลยครับนี้สาธุขอให้เบื่อจริงๆเถอะเบื่อจริงๆยัไม่ใช่ปัญหาหรอกนะอุป雅ตเป็นปัจจัยให้เกิด ก็คือเป็นประฐานของกรรมมภพนั่นแหละเป็นประฐานที่เห็นชัดก็คือเป็นประฐานของกรรมมภพเอานะคนที่โสกะปริเทวทุกโทมนัสอุปาญาตเนี่ยคนที่คับแค้นใจมากๆเนี่ยเขาไม่ทํากา ย, ยา ก, กรรมวจีกรรมมนโนกรรมเลยหรือทำไหมอ่ะนะบางคนก็พอคับแค้นใจมากๆก็ไปทําบุญซะจะได้สบายใจหันไปเจริญกรรมฐานบ้างก็มีบางคนคับแค้นใจแล้วก็ไปหา บริโภคกามมาคนห้าต่อไปก็มีบางคนก็ไปดูน้ําทะเลบ้างนะพลิ้นกับน้ําทะเลนะอย่าจุติแถวนั้นนั่นงั้นเกิดในนั้นเน่ยเฝ้าน้ําทะเลอยู่นั่นเน่ยนะเฝ้าน้ําทะเลก็เป็นได้หลายอย่างใช่ไหมถ้าไม่ใช่มนุษย์เขาเรียกอะไรเฝ้าทะเลอ่ะไหมกับผีทะเลก็เฝ้าทะเลไปถ้าเป็นปลาในทะเลก็เป็นนั่นเน่ยเป็นม้าน้ําเฝ้าทะเลไปนะถามว่าสัตว์ที่ยินดีในทะเลไม่ใช่น้อยใช่ไหมตอนหลังเลยไม่น่าแปลกใจว่าทําไมปลาใน จึงมีมอบถึงถ้าไปอยู่ในทะเลนะถ้าทําอาคุศลไว้แล้วนะไปอยู่วังน้ําตรงไหนเขาก็ไปลากเอามาจนได้แหละถ้าถ้าทำบาปไว้นะไปเป็นปลาทูอยู่ตรงไหนเขาก็ไปเอามาจนได้อีกนั่นแหละผนธาไปเกิดในทะเลแล้วจะคิดว่าจะรอดตัวนะ่จะได้วังาว่ายอยู่ในวังน้ําวนใหญ่ๆเนี่ยนะเนืน้ว่าสบายรอดตัวไม่ใช่เพราะสมัยใหม่เนี่ยเขามีการจับปลาแบบใช่เรดาร์ ประเทศไทยนี่เป็นประเทศวิวัฒนาการเก่งมากที่สุดในการจับปลาเพราะาหน้าน้ำไทยเนี่ยนะแทบปลาแทบไม่เหลือแล้วก็ไปขอประนั่นแหะปรั บ, บ, บ, บอะไรนะไปขอเช่าแถวแถ ว, แถวหน้าน้านําพม่ า, า, มา ก, กับอินเดียแล้วตอนนี้หากินขําหน้าน้านําไทยไม่ค่อยมีปลาเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะใช้เรดาร์นะจับก็เพื่อนเพื่อนหลายคนเนี่ยนะเขาเป็นนับประมงกันเขาก็เล่าให้ฟังใช้เรดาร์เนี่ยนะแล้วก็ตีอวนเนี่ยนะเป็นหลายๆกิโลแล้วก็วิ่งเรือไปเรื่อยๆ แล้วก็ขึ้นมาทีเป็นคันรถเลยนะของเราบอกไหมเราทําบาไว้ตั้งครุ่ถังหนึ่งเลยนะฆ่าปลาไว้เป็นถังฟังไอ้เจ้านั้นบอกมันฆ่าทีหนึ่งขึ้นลำสิบล้อเลยนะแล้วก็ทิดซ้ายไปห่างกันมากบอกจะทํามากี่ปีแล้วบอกสิบห้าปีแล้วเหมือนั้นมีไอ้คนหนึ่งเข้ามาบวชอยู่ด้วยเนี่ยนะชื่อว่าทิดหมึกทิดหมึกนียบอกว่าออกจากบ้านตั้งอายุสิบแปดเหมืนกัน กลับมาบ้านทีอายุ30สกว่าบอกไปทำอะไรมาบอกไปเป็นไตเรือประมงมาก็คือเป็นหัวหน้าในการลากประมงเลยนะก็บอกว่าเฉลีย่ยเท่าไหร่เฉลีย่ยอาทิตย์ละคัน10บลอ้อเนี่ยนะสห้าวันเนี่ยประมาณหนึ่งคันรถ1ิบล้อเนี่ยนะถ้าค่าปลาอยู่อย่างนี้ส5บหปีเนี่ยควรจะกี่ถังจนเขาเข า, เขาบวชมาได้พันศาหนึ่งเขาบอกว่าแม่าศาสนาบริสุทธิ์เกินไปไม่ค่อยเหมาะสาหรับเขา าศาสนาเกินส ะ, สะอาดบริสุทธิ์เกินไปไม่ค่อยเหมาะสำหรับเขาก็ปแปลว่าศึกก็เลยศึกไปนานแล้วก็ <c oughs> <c oughs> มันโหฟังและใจแป้วเลยนะฆ่าปลามาสิบห้าปีนะบางวันเนี่ยนะเพราะบางครั้งที่มันลานยมันลากแบบเพราะมันตีอวนเนี่ยนะมันมันใช้เรดาร์จับไปก่อนเนี่ย ปลามีอยู่ถิ่นไหนมันมันมองเห็นปลาหมดเลยนะเหมือนกับดูในจอทีวีอ่ะเหมือนเราดูทีวีอ่ะเขาใช้ระบบเดเรดานเนี่ยจับปลาเพราะฉนั้นประเทศไทยนี่มีฝีมือในการจับปลามากตอนนี้เนี่ยหน้าน้ําไทยเนี่ยว่างปลาไม่ค่อยมากกันนะเราไปขอโนนับประมูลแถวอินเดียแถวพมา่าละก็ถ้าหากว่าทําบาปไปแล้วนะแต่เกิดในอบายภูมิเนี่ยอยู่ที่ไหนจะพ้นว่าเขาจะไม่ไปลากมา แล้วถามว่าระหว่างที่ถูกลากเป็นปลาเนี่ยถ้าจุติระหว่างอยู่ในอวนเนี่ยควรจะเกิดที่ไหนดีนี่นะไม่แน่นะก็มีชาดกอยู่เรื่องหนึ่งเขามายังคําอยู่ทุกวันเลยะเขามีปลาตัวหนึ่งนะเขาก็ไปกับนางปลาสองตัวไปด้วยกันสร็จแล้วไ อ, ไอ้นางปลาเนี่ยมันเล่ห์เหลี่ยมมากมันเห็นอวนปั๊บมันหนีเลยไอ้เจ้าตัวปลาเนี่ยมันก็มันค่อนข้างทึ่มหน่อยนะก็เลยถูกอวนเนี่ยถูกนายประมงชาวประมงเนี่ยจับได้ ทีนี้มันก็ได้แต่ค่ําครวญนะมันพูดเป็นภาษาปลาก็บอกว่าไอ้ทุกที่ถูกจับเนี่ยนะเขาไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่ไอ้ที่เขาทุกข์มากกลัวนางปลาจะเข้าใจผิดแล้วเขาไปเป็นอื่นก็ว <c oughs> ่างั้นเขาทุกข์มากเลยนะเขาก็คร่าครวญอยู่นั่นแหละพระโพธิสัตว์ก็ได้รู้เสียงปลาว่า ง, งั้นนะเ <c oughs> <c oughs> ขาก็เลยไปถามเขาเป็นปุโรหิตที่มีความสามารถได้ยินเสียงปลาแล้วฟังออกว่าปลามันพูดอะไรอยู่ ก็บอกว่าตัวจะตายอยู่แล้วก็ยังขีดอยู่นั่นแหละเพราะงั้นพระโพธิสัตว์ก็เลยบอกว่าสหายเพราะ ง, งั้นฉันอยากได้ปลาตัวนี้อะก็บอกว่าเอาเลือกไปเลยนายท่านแกก็เอาแล้วแกก็เอาปลาตัวเนี้ไปปล่อยตามเดิมเขาบอกไอ้ทุกอันอื่นก็อันนทุกที่ถูกอ้วนหรือทุกจะตายก็ไม่ทุกเท่าไหร่หรอกแต่ทุกเพราะกลัวนางปลาจะเข้าใจผิดว่าเขาไปเป็นอื่นนี่แหละเขาทุกมากกว่าเพราะงั้นเออบางคนนี่มันมากขนาดนั้น ก็ถ่าบอกว่าแล้วปลาตัวนั้นนะตอนหลังก็มาเป็นพระภิกษุใช่ไหมมาเป็นพระภิกษุแล้วก็มาชอบผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็คืออดีตนางปลาคนนั้นแหละมันก็วนกันไปวนกันมาอยู่อย่างนี้แหละชีวิตแล้วถ้าอ่านชาดกบ่อยๆนะจะเห็นนี่ยมนุตอ่านถึงยัางชาดกเรื่องนี้อ่านเจอแล้วนะวก็ไปอ่านดูนะมองมาตี่อ่านแล้วนึกขำๆอยู่เนหะมือนกันนะพระพพนี้เป็นประทัดฐานของวตัตตะสงสาร วัตตะสงสารคืออะไรคือลำดับแห่งขันธาตุอายตนะที่ไหลไปสืบเนื่องไม่ขาดสายเรียกว่าสังสาระลำดับของขันอายตนะธาตุไหลไปเนี่ยนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายไปมันไหลไปอย่างนี้ไม่มีหยุดด้วยนี่แหละเรียกว่าสังสาระทีนี่การไหลไปมันแบ่งเป็นสามอย่างเป็นกรรมเป็นผลของกรรมและเป็นกิเลสขันบางอย่างเป็นกรรมขันบางอย่างเป็นผลของกรรมขันบางอย่างเป็นกิเลส มันก็เกาะเกี่ยวเชื่อมโยงประสานกันสัมพันธ์กันเนี่ยนะจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งไหลไปอย่างนี้มังจากปลาก็มาเป็นพระภิสูุน์เนี่ยนกะ็วนๆกันอยู่อย่างนี้แหละนะถ้าพระพิสูุนประมาทก็ไปเป็นปลาต่อนะไม่น่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระพิสูุนไปเล่นน้ำนะเป็นน้ำบักเนี่ยพลนในน้าเล่นน้ำมากตายไปเกิดในน้ำจะว่าอย่างไง ก็พระพิสูจน์นี่ไม่ให้เล่นน้นํานีไปไว่ายน้ําเล่นตุ้งตางตุ้งตางทั้งวันนี่ไม่ได้หรอกกระทั่งนั่งเนี่ยเห็นน้ําในแก้วแล้วก็เขียเล่นนีสนุกสนุกขำขำไปเนี่ยเป็นอบัตนะนะเป็นแล้วก็ถ้าไปเล่นแบบน้ํามันลึกท่วมประมาณข้อเท้านเนี่ยนะไปเล่นเอาเท้าไปเปรมอยู่นั้นก็เป็นอบัตสูงขึ้นไปโดยลําดับ น, นะก็เล่นน้ําไม่ได้แล้ก็ใครเพลิดเพลินในการเล่นน้ํามากๆยังไงก็ห่วงอย่าไปเกิดใน ถ้าก่อนตายแล้วมีแต่ภาพน้ามาเลยนะเป็นน้ามาเลยเนี่ยดีใจไหมถ้าให้ทานให้น้เป็นทานเอาไว้เยอะก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมถ้าบริจาคน้าไว่มากๆเห็นน้าใสาๆก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรือปรารบน้าแล้วสมาทานศีลเอาไว้เยอะศีลดีเยี่ยมก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าโดยมากคิดถึงน้าและคิดถึงตอนไหนตอนเพลิดเพลินในน้ำเนี่ยนะก็ดูเควรจะเกิดที่ไหน วัตตาสงสารนี่ก็ไหลไปอย่างนี้นะโดยกรรมผลของกรรมโดยความเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันไปอริยมรรคเนี่ยมีลักษณะนาออกจากวัตตาสงสาร น, นั้นก็มรรคเนี่ยเป็นตัวที่นาออกจากสงสารใช่ออกจากกรรมออกจากผลของกรรมการที่จะออกจากกรรมและผลของกรรมได้ก็ต้องออกจากกิเลสเมื่อทำลายกิเลสได้กรรมถึงมีอยู่ก็จะเป็นอัน ไม่ให้ผลถ้ากรรมไม่ให้ผลความสิ้นไปแห่งวัฏฏะทุกก็มีด้วยประการอย่างนี้แต่มรคนั้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ของพระนิพพานเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานมรคนั้น่ะถ้าไม่บรรลุนิพพานไม่สามารถออกจากวัฏะสงสารได้มรที่ไม่มีนิพพานเป็นอารมณ์นะมรบางอย่างนำไปสู่นรกมรที่ไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์นะ เช่นมักเป็นมิจฉาวาจามิจฉากรรมมันตะมิจฉาอาชีวะมิจฉาทิฏฐินำไปสู่นรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานมักบางอย่างที่เป็นบุญคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวาจาเป็นต้นนำไปเกิดเป็นมนุษย์กับเทวดามักในระดับสูงเช่นสัมมาทิฏฐิที่ได้รูปประชานก็เกิดในพรหมโลกมักสัมมาทิสัมมาส ม, มาธิที่เป็นอรูปประชานก็เกิดใน รูปประพรมทีนี้มักมีองแ์8ถ้าประชุมการมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงจกักออกจากวัตตะเนี่ยนะถ้าไม่ประชุมด้วยองแ์8แล้วก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ไม่สามารถออกจากสังสาระได้ตรงนี้ก็กล่าวถึงเหตุใกล้ของวัตตะแล้วก็พูดถึงวิวัตตะด้วยนะว่าถ้าจะออกจากวัตตะนี้ออกได้อย่างนี้ ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจะออกจากวัตฏะได้นั้นจะต้องปฏิบัติเช่นนี้นะคือปฏิบัติจนอริยมรรคเกิดเมื่ออริยมรรคเกิดมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงออกวัฏฏะจึงออกจากวัฏฏะได้อย่างสมบูรณ์ทีน่นี้ความมรรคผลจะเกิดทํำยังไงอะไรเป็นเหตุใกล้ให้บรรลุมรรคผลล่ะก็สาวไปเนี่ยนะอดีตชาติด้วยนะสําคัญอัะนนะั้นเราเนี่ยถ้าหวังว่าชาตินี้จะต้องบรรลุนะอดีตชาติเราต้องดีมาก่อนนะ ไม่ใช่ยูู่ขึ้นมาแล้วอดีตชาติไม่เคยมีบุญเก่ามาเลยแล้วก็จะขอบรรลุอย่างเดียวยังไงก็ไม่ได้บรรลุแต่ถ้าคนมีบุญเก่าแล้วก็เลยคิดว่าตัวเองยังไงก็ไม่ได้บรรลุจากบรรลุไหมบางคนน่ะบุญเก่ามีแต่คิดว่าตัวเองยังไงก็ไม่ได้บรรลุก็มีนะใ น, นสมัยพุทธกาลเนี่ยมีพระพิสุรูปหนึ่งท่านก็บวชมาคือท่านก็มีไปฟังธรรมมีศรัทธาออกบวชแล้วก็เคร่งครัดปฏิบัติอยู่หลายปีด้วยกัน บวชมาเป็นสิบปีก็ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอ่ะนะก็เลยท้อเลยน้งสายเราเนี่ยไม่มีอุปนิสัยมั่งอ่ะนะเราทําบุญไว้น้อยชาตินี้ยังไงเราไม่บรรลุรอกกลับไปอยู่วัดดีกว่านะกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าติดตามเสด็จพระพุทธเจ้าดีกว่าอย่างน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้าบ้างได้ฟังธรรมบ้างก็ยังดียังไงเราก็ไม่ได้บรรลุอีกแล้วชาตินี้เราเป็นประเภทปะป ร, ะาปาระมะว่า ง, งั้นก็เลยกลับไปอยู่วัดพระภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าท่านท่านบรรลุอะไรแล้ว บอกผมไม่ได้บรรลุอะไรหรอกผมเป็นปะทะประมะหวังกันเพราะฉะนั้นตั้งอันนี้ไปผมไม่พยายามปฏิบัติแล้วยังไงผมก็ไม่ได้บรรลุพระภิกษุก็เลยจับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าจับไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์ก็ตรัสว่าถ้าท่านพลาดจากอริยมรรคในศาสนานี้แล้วท่านจากเสียใจเหมือนกับพ่อค้าที่ชื่อว่าเสรีวะฉะนั้นนะคือถ้าท่านพลาดจากอริยมรรคท่านเดือดร้อนแน่อนน ในอดีตชาติพ่อค้าชื่อว่าเสรีว่าพ่อพระเทวทัพใช่ไหมที่พลาดนะไปเจอไอ้ไอไอไถาดทองอ่ะนะเขาก็ขายให้ราคาถูกๆ ก, ก็แกล้งจะกดราคาของเขาอ่ะจนจะไม่เอาอ่ะนะแล้วก็ไปค้าขายที่อื่นพระโพธิสัตว์มาก็คว้าถาดทองนี่ไปแล้วอ่ะตอนหลังก็ตัวเองเนี่ยรู้ว่าตัวเองเสียหายจากถาดทองราคาเป็นแสนชั้นใดถ้าท่านพลาดอริยมรรคในาศาสนานี้ท่านก็จะเดือดร้อนแบบพ่อค้าคนนั้นนั่นแหละ พันการศึกษาการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราอย่าไปคิดเลยว่าเราบุญน้อยถ้ายิ่งรู้ว่าบุญน้อยควรที่จะต้องเพิ่มต้องเจริญต้องทําให้มากขึ้นเท่านั้นแหละทีนี้ถ้าบุญมากอีกแล้วบรรลุทีนี้ถ้าบุญ น, น้อยถ้าทําให้มีขึ้นมากขึ้นชาติหน้าก็บรรลุเร็วกว่าเพื่อนอ่ะนะเพราะชาตินี้จะเป็นบุญเก่าของชาติหน้าทีนี้เรามาดูว่าทํายังไงเราจะเป็นอย่างนั้นได้ที่เราสามารถจะบรรลุได้ท่านก็บอกว่าความรู้จักคบกัลยาณมิตร ติดถันยุตาเนี่ยนะรู้จักคบกรัลยาณมิตรเช่นครูอาจารย์เป็นต้นเนี่ยถ้ารู้จักคบกรัลยาณมิตรที่ดีก็เป็นเหตุใกล้ของผู้รู้จักเจริญภาวนาที่ทําให้เกิดปีติในธรรมที่เป็นส ป, ปายะก็คือจัดเช่นว่าถ้าคบกัลยาณมิตรดีเนี่ยนะจะทําให้เกิดการฟังธรรมใช่ไหมถ้าเกิดฟังธรรมก็ฟังอะไรก็ฟังอริยสัจฟังสมถาวิปัสสนาถ้าฟังก็จะทําให้เกิดการปฏิบัติทําให้เกิดปีติและปราโมท อันนี้เรียกว่าปีตันยุตาทีนี้เมื่อมีการฟังธรรมมีการเจริญมีการปฏิบัติธรรมอย่างนี้เนี่ยนะก็จะเป็นเหตุใกล้ให้รู้จักรู้ประมาณในการเจริญกรรมฐานเขาเรียกว่ามัดัญญุตารู้จักประมาณในการเจริญกรรมฐานว่าตัวเองนี้เป็นคนจริตแบบไหน น, นะจริตแบบไหนถ้าราคาเจริตก็มากไปด้วยสุภาพถ้าโทสะเจริญก็มากไปด้วยพรหมิหารเป็นต้นก็รู้จักตัวเองเลยว่าควรจักเจริญกรรมฐาน อย่างไรอย่างไรเพราะฉะนั้นมัดตันยุตาอันนี้เป็นเหตุใกล้แห่งอัดตันยุตาพอเจริญกรรมฐานไปแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าตนเนี่ยมีศรัทธาเท่าไหร่มีวิริยะเท่าไหร่เป็นคนมีมายาโอ้อวดไหมเป็นคนหลอกลวงไหมมีปัญญาขนาดไหนอันนี้เขาเรียกว่าอัดตันยุตาอัตตันยุตาอันนี้เป็นเหตุใกล้ของบุพเพกัตปุญญาตาน เป็นเหตุใกล้ของปุปเพกตปุญญตาก็คือบุญเก่าทําไวไ้ดีแล้วเมื่อมีบุญเก่าทําไว้ดีแล้วอย่างนี้ก็เป็นเหตุใกล้ของปฏิรูประเทศวาสะการอยู่ในประเทศที่สมควรถ้าตอนนี้ก็ประเทศไทยแล้วของเราทั้งหลายก็ถือว่าประเทศไทยนี่สมควรนะใชถ้าได้เกิดในประเทศที่สมควรก็จะได้คบสัตบุรุษเห็นไหมการคบสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นการคบสัตบุรุษก็เป็นเหตุใกล้ทําให้เกิด ตั้งอัตตสัมมาปณิธิตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรรคผลเป็นต้นเมื่อมีอัตตสัมมาปณิทิอย่างนี้ก็เป็นเหตุใกล้ของศีลเพราะว่าอัตตาสัมมาปณิธิคือการตั้งความปรารถนาเพื่อให้รักษาศีลที่ยังไม่ได้รักษาเป็นต้นนั่นแหละเมื่อมีศีลดีศีลก็เป็นเหตุใกล้ของอวิปปิสารคือความไม่เดือดร้อนใจอวิปปิสารเป็นเหตุใกล้ของปราโมทปราโมทเป็นเหตุใกล้ของปีติ ตติก็เป็นเหตุใกล้ของปัสัตทีปสัสาตทีก็เป็นเหตุใกล้ของสุขสุขก็เป็นเหตุใกล้ของสมาธิสมาธิก็เป็นเหตุใกล้ของยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะนี่หมายถึงตรุณวิปัสนาคือตั้งแต่การกําหนดนามรูปถึงพิจารณาเหตุเกิดและความดับเนี่ยนะก็หมายถึงตรุณวิปัสนาเนี่ย น, นะวิปัสนาญาณ4ี่ก็คืออนนะสังขารูป สังขารปริเฉทญาณปัจยะปริเกหาญาณสมมามัคคณาญาณอุทยพญยาณยเรียกว่ายถาภูตญาณทัสสนายถาภูตญาณทัสสนาอันนี้เป็นเหตุแห่งนิพิทาคือความเบื่อหน่ายอันนี้หมายถึงภลาวะวิปัสนานะหมายถึงการเจริญอนุปัสนาเจที่ชํานาญนิพิทาเหล่านี้ก็เป็นเหตุใกล้ของวิราคะคืออริยมรรควิราคะก็เป็นเหตุใกล้ของสามัญญผล คืออริยผลเรียกว่าวิมุตต์เนี่ยนะวิมุตต์ก็เป็นเหตุใกล้ของวิมุตติยานและทัศนะคือปัจเจกขณะยานอุปนิสัยคือเหตุที่มีกําลังทั้งสิน้นปัจจัยปัจจัยทั้งสิน้นย่อมมีอย่างนี้อันนี้หมายถึงว่าเหตุปัจจัยทําให้บรรลุมรรคผลนิพพานถึงความพ้นทุกข์นะเป็นไปตามปัจจัยอย่างนี้คงทบทวนได้น่ว่า ติดทันยุตาเป็นเหตุใกล้ของปีตันยุตาปีตันยุตาเป็นเหตุใกล้ของมัตตันยุตามัดตันยุตาเป็นเหตุใกล้ของอัตตันยุตาอัตตันยุตาเป็นเหตุใกล้ของปุเพกตปุญญตาปุเพกตปุญญาตาเป็นเหตุใกล้ของปฏิรูปเทสวาสะปฏิรูปเทสวาสะเป็นเหตุใกล้ของสัพโพริสุปัตนิสยะ สัพพุริสูปน cool. ิสยะเป็นเหตุใกล้ของอัตตสัมมาปณิธิอัตตสัมมาปณิธิเป็นเหตุใกล้ของศีลศีลก็เป็นเหตุใกล้ของอวิปปิสารอวิปปิสารก็เป็นเหตุใกล้ของปราโมทปราโมทเป็นเหตุใกล้ของปีติปีติเป็นเหตุใกล้ของปัสสัตทิปัสสัตทิเป็นเหตุใกล้ของสุขสุขเป็นเหตุใกล้ของสมาธิสมาธิเป็นเหตุใกล้ของยถาภูตยานัทสนะยถาภูตยานัทสนะเป็นเหตุใกล้ของ นิพถานิพถาเป็นเหตุใกล้ของวิราคะวิราคะเป็นเหตุใกล้ของวิมุตติวิมุตติก็เป็นเหตุใกล้ของปัจเจเวขณาญาณคือวิมุตติญานนณทัสสนะตั้งแต่คุณธรรมว่าด้วยสัพปริสูปะนิสยาอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยน ะ, ะพวกนี้เป็นกุศลประเภทการควบศักตบุรุษ ก, กับการฟังธรรมนะ คบสัตว์บุตรเนี่ยนะ ก, ยยก็คือสัพปริสูปปนิสย็คือสารณคมดีนั่นเองอัตตะสัมมาปณิทิคือเป็นผลของการฟังธรรมใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยที่เราเรียนอัตตะถามูลปริ ย, ยสูตรผู้ที่มีอัตตะสัมมาปณิทินี่แหละเป็นเนื่องจากเขามีอะไรอัตตะสัมมาปณิทิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดโยนิโสมนัสิกาเนี่ยนะเป็นเหตุที่สําคัญต่อ โยนิโสมานัสิการถ้าพูดอัตตะสัมมาปณิทิก็ใช้แทนคําว่าโยนิโสมานสิการได้เลยก็คือกลุ่มเดียวกันมันก็โยนิโสมานสิการก็มีอะไรก็เป็นเหตุใกลก็มีศรัทธาเป็นเหตุใกล้ศรัทธาก็เกิดจากการฟังธรรมฟังธรรมที่บริบูรณ์ก็ครบสัตบุรุษมันครบศัตบุรุษก็ทําให้เกิดการฟังธรรมเมื่อเกิดการฟังธรรมก็มีศรัทธาเมื่อมีศรัทธาก็มีอัตตะสัมมาปณิธิเพราะฉะนั้น การฟังที่ถูกที่ตรงที่ควรที่ถูกต้องเป็นการฟังที่เป็นเหตุใกล้ให้ไปรักษาศีลฉะั้นการฟังธรรมถูกหรือผิดเนี่ยนะดูได้จากตรงนี้ว่าศีลดีขึ้นไหมถ้าศีลดีขึ้นแสดงว่าฟังธรรมมาถูกต้องถ้ากุศลศีลไม่ดีแสดงว่าฟังมาไม่ดี เ, นะเพราะว่าการฟังธรรมที่ดีที่ถูกต้อง ศีลต้องดีขึ้นทีนี้ศีลเราดีหรือไม่ดีก็ดูว่าเราร้อนใจไหมหลังจากรักษาศีลมาเนี่ยนะร้อนใจเพราะศีลไหมร้อนใจเพราะพฤติกรรมที่เรียกว่าสมาทานศีลไหมเพราะฉะนั้นวัดเครื่องวัดอานิสงส์ของศีลก็คือไม่เดือดร้อนใจปราโมทย์ปีติปัสสัตทิและความสุขนะเนั้นผลของศีลที่บริบูรณ์ผู้ที่มีศีลจะมีความสุขทีนี้ความสุขที่ถูกต้องก็เป็นความสุขที่เป็นเหตุใกล้ของ สมถะคือสมาธิเนี่ยนะเป็นเหตุใกล้ของการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติหรืออสุภะหรือกสินทั้งหลายทีนี้สมาธิที่ดีที่ถูกต้องก็เป็นไปเพื่อการพิจารณาอริยสัจการกําหนดนามรูปเป็นการกําหนดทุกขสัจการกําหนดปัจจัยเป็นการกําหนดสมุทยัยสัจการกําหนดความดับนันะนิโรสัจกําหนดข้อปฏิบัติหรือปฏิปทายานทัศนวิสุธทธิเป็นการกําหนด มัคสัตน้นการเจริญวิปัสสนาก็คือการกําหนดอริยสัจการกําหนดอริยสัจที่ถูกต้องบริบูรณ์ก็จกแทงตลอดอริยสัจอย่างสมบูรณ์เมื่อแทงตลอดอริยสัจแล้วน ะ, ะมัคจิตเกิดขึ้นจากให้ผลไม่มีระหว่างก็จะได้สามัญญผลอริยผลก็จะเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุใกล้ของวิวัตะอย่างบริบูรณ์เราจะเห็นในหน้าสาเนี่ยเป็นเหตุ ใกล in ้ของวตะว่าว em, ัตะเป็นไปอย่างนี้นะอวิชาอโยนิโสมนัิการเป็นเหตุของอวิชาวิชาเป็นเหตุของสังขารสังขารเป็นเหตุของวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุของนามรูปนามรูปเป็นเหตุของสลายตนะสลายตนะเป็นเหตุของผัสสะผัสสะเป็นเหตุใกล้ของเวทนาเวทนาเป็นเหตุใกล้ของตัณหาตัณหาเป็นเหตุใกล้ของอุปาทานอุปาทานก็เป็นเหตุใกล้ของพบ พบก็เป็นเหตุใกล้ของชาติชาติก็เป็นเหตุใกล้ของชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทโมนัสและอุปาญาตอุปาญาตก็เป็นเหตุใกล้ให้ทำกรรมใหม่แล้วกรรมใหม่ก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดพ่นใบอย่างเงี้ยแล้วก็อายนิสมนัสิการต่ออันมะันวัตตก็ไหลไปอย่างนี้มักเท่านั้นแหละที่จะนำออกจากวัตต้มักนั้นเนี่ยเป็นเหตุใกล้ให้บรรลุพระนิพพาน ทีนี้จะบรรลุพระนิพพานได้ก็ตั้งแต่เนี่ยรู้จักคบกัลยาณมิตรรู้จกักคบกรัลยาณมิตรก็ฟังธรรมจนมีได้เกิดปีติปราโมช ร, รู้จักการเจริญกรรมฐานรู้ประมาณในตนว่าตนนี่เป็นคนเช่นไรแล้วก็ทําบุญให้ ด, ใหดีให้เป็นปุเพกตปุญญาตาของเราทั้งหลายเนี่ยชาตินี้มั่นใจเลยนะว่าปุเพกตปุญญาตาดีแน่นะชาตินี้นะปุเพกตปุญญาตาชาติหน้าเนี่ยดีแน่มั่นใจได้เลยนะออะไรเป็นเครื่องรับรอง อุนใจหรื อ, อยังคนนุษย์ชาตินี้แหละปุเพกะตะปุญญาตาและชาติหน้าต่อไปไม่เดือดร้อนแล้วอะไรอะไรเป็นเครื่องรับรองเงียบเลยมีใครนะป้ะนาคได้ปุเพกะตะปุญญาตาดีแล้วนะชาตินี้มั่นใจว่าปุเพกะตะปุญญาตาเยี่ยมแล้วชาติหน้าไม่กลัวแล้วว่างั้นยังไงก็บรร ล, ลุแน่นะต่อไปเนี่ยนะเอาพูดแบบผู้การก็ได้นะชาติเจอผู้แต่เจ้าผังแน่ ติดทันยุตาปีตันยุตาปัตตันยุตาอัตตันยุตากับปุปเพกัตปุญญาตานี้มันของอดีตชาติทั้งนั้นเลยเพราะชาติเก่าๆนะชาติก่อนนูน่นพ้นมาชาตินี้ก็เริ่มต้นที่ปฏิรูประเทศถ้าของชาตินี้นะเริ่มต้นที่ปฏิรูประเทศเมื่ออยู่ปฏิรูประเทศจึงได้ครบสัตว์บุรุษเมื่อครบสัตว์บุตรจึงเกิดการฟังธรรมจนถึงกับมีอัตตะสัมมาพณิทิ เพราะฉะนั้นก็บุญเก่านี้ก็สําคัญแต่ก่อนที่จะมีบุญเก่าก็เนื่องจากว่ารู้จักตนนะนะรู้จักว่าตัวเองเนี่ยมีศรัทธาแค่ไหนอะไรยังไงที่รู้ได้อย่างนั้นก็เพราะว่ารู้จักการเจริญกรรมฐานรู้จักปีติที่เกิดจากการฟังธรรมก็เนื่องจากอดีตชาติครบกัละยาณมิตรเพราะฉะนั้นพบใดาชาติใดที่ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานหมายถึงชาตินั้นได้ครบกัละยาณมิตร อย่างเช่นพระอานนุ์พระมาหากระสปะพระอนุรุทธะพระมาหากัจยณนะเนี่ยนะเมื่อแสนกับก่อนเนี่ยท่านพบกาลยานามิตรคือพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระ น, นะแล้วก็คบคนดีๆก็เป็นเหตุให้ท่านได้ทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรผลท่านการพบกาลยานามิตรในอดีตของท่านเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญให้มาเกิดในปฏิรูปประเทศมาเกิดในสมัยพุทธกาล น, นะเมื่อเกิดในปฏิรูปประเทศด้วยผลของบุญเก่าที่ท่านทําไว้ดีแล้วก็ทําให้ได้ฟังธรรมเมื่อฟังธรรมท่านก็คิดตามพระธรรมนั่นแหละเรียกว่าอัตตะสัมมาปณิธิก็คิดตามพระธรรมสอดคล้องตามหลักธรรมทีนี้การตั้งอัตตะสัมมาปณิธิก็เกิดการอบรมไตรสิกขาอย่าลืมว่าตั้งแต่โคบศัตตุบุษกับตั้งอัตตสัมมาปณิธิเนี่ยเป็นผู้ที่บริบูรณ์ด้วยสุตตะเนี่ยนะสุตตะเข้าบริบูรณ ศีลอวิปปติสารปราโมทปีติ ส, สุขพวกนี้ก็สมาธิศีลขันสมาธิก็สมาธิขันยะถาภูตยานัทสนานิพิทาเป็นปัญญาขันวิรา่ะเป็นวิมุตติขันนี่นะวิราคะนเป็นวิมุตติขันวิรา่ะวิมุตตเนี่ยเป็นวิมุตติขันส่วนวิมุตติยานัทสนะก็เป็นวิมุตติยานัทสนขันเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ก็เป็นไปโดย ลำดับเนี่ยนะก็อาศัยแปลว่าคนจะบรรลุทำได้ในชาตินี้คนนั้นต้องมีบุญเก่าเนี่ยนะบุญเก่าสําคัญทีนี้ของเราทั้งหลายเราก็ไม่รู้ว่าอดีตชาติบุญเก่ามีหรือไม่ก็ทําชาตินี้ให้มันเป็นบุญเก่าของชาติต่ อ, ต อ, ตอไปก็แล้วกันเนี่ยนะ ก, ก็บอกว่า ข, ขอต่อม า, มานะคิดเองถ้าชาติหน้านะทับได้เท่าชาตินี้เสียใจแ ย, ย่เลยอ ะ, อะนะ ทำไมมันผิดพลาดขนาดนั้นนะนีมาเจอขุมทรัพย์ขุมใหญ่แล้วเกิดมาแล้ว ไ, ได้เท่าเดิมไม่เสียหายมากเพราะว่าคําสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้ตั้งแปดหมืสี่พันพระธรรมขันเนี่ยนะเขาประชาชนร่วมบริจาคค่าพิมพ์หนังสือไปหลายล้านกันน่าจะอ่านแล้วมันได้สาระมากมากนะชาติหน้าก็จะได้ไม่คร่ําครวญแบบชาตินี้อีกนะทำบุญน้อยไปเนี่ยนะโรคบุญน้อยจะไม่มีแล้วชาติหน้าเพราะชาตินี้กําลังทําบุญอยู่นะ ความป็ผู้รู้ประมาณแห่งกรรมฐานเป็นประธฐานของปุเพกะตะปุญญาตาในที่นี้มันมันตกไปไนฮะเป็นปปเป็นปรฐานของอัตตัญญูตาใช่ไหมเจนพ่การตั้งตนรู้จักประมาณตนอัตตัญญูตาเนี่ยท่านบอกว่ารู้จักประมาณตนแต่ตามอัตกถาท่านบอกว่า อ, องค์ของผู้บำเพ็ญเพียรห้าคือรู้จักตัวเองว่ามีศรัทธามากขนาดไหน รู้ตัวเองว่าเป็นคนที่มีความเพียรแค่ไหนไม่มีมายาหรือเปล่าแล้วก็สุขภาพเป็นยังไงปัญญาแค่ไหนเนี่ยนะเพราะว่าองค์ของผู้บําเพ็ญเพียรนี่มีอยู่5ประการ1มีศรัทธา2ปรารบความเพียร3ไม่มีมายาโอ้อวดเปิดเผยตนตามเป็นจริงสี่สุขภาพดีเรียกว่าอาภาษน้อย5เป็นผู้มีปัญญารู้เหตุเกิดและความดับนะ เ, เกิดด้วยอาการ25ดับด้วยอาการ25 ปุเพกะตะปุญญาตาตรงนี้ก็เน้นกุศลประเภทวิวัตะกุศลทั้งหลายและนะก็เป็นกุศลทั้งแต่ทานศีลเป็นต้นที่เป็นประเภทวิวัตะเป็นหลักเพราะว่าผลทั้งหลายที่ตามมาในข้างหลังเป็นบุญประเภทวิวัตตะเพราะฉะนั้นเหตุปุเพกตปุญญาตารวมทั้งทานศีลการฟังธรรมเป็นต้นที่เป็นอุปนิสยัยเป็นเหตุใกล้ของวิวัตตะ